BOOK 2ยี่สิบห้ายี่สิในเมือง町で ด, ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟเข็ญนี้きたいのですがดิฉันต้องการไปที่สนามบิน ที่ฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองที่ฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะที่ฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะดิฉันต้องการแท็กซี่ดิฉันต้องการแผนที่เมืองดิฉันต้องการโรงแรม 私はホテルが必要ですดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ว่าต้าชีวะเดนตนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะว่าต้าชีโนี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะว่า ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ町の見どころはありますかคุณไปเมืองเก่าสิคะ旧市街へ行ってご覧なさいคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ市内観光ツアーに参加してご覧なさいคุณไปที่ท่าเรือสิคะมินาโตะอิเ ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะมินาโตโนะยูรังค่องเทีทัวร์นี้ไปเถอะご覧なไซยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะฮอกาเนโตะนามิโดโกโรกาดีมัสคกอคารุนาไปที่ w w w b o o k t o d e